ครูบาขาวปีวัดพระพุทธบาทผาน้นามเคยเป็นช้างนาราคีริงส่วนในหลวงองค์ปัจจุบันเป็นช้างป่าเลัลนะหลวงปู่สิมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องจังหวัดเชียงใหม่คำพีอนาคตวงวงบันทึกว่าพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตช้างป่าเลไลจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต